เวลาเราปฏิบัติทมหรือว่าทำกรรมฐานเราก็ใช้กายเนี่ยเป็นฐานนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะยกมือสร้างจังหวะหรือว่าใช้อรปยรบ์ใดก็ตามแต่สิ่งสำคัญก็คือใจ ทำถูกท่าเช่นย ก, ย, ยกมือสร้างจังหวะได้ถูกจังหวะนะแต่ว่าถ้าใจเราวางไว้ไม่ถูกก็ทําให้การปฏิบัตินั้นผิดพลาดได้การวางใจนี่ก็หลักข้อนึงก็คือการวางใจให้พอดีพอดีคือไม่ไม่ย่อหย่อนนะ แต่ขณะดเดียวกันก็ไม่ได้ขึงตึงไม่ได้ทำด้วยความอยากถ้าทำด้วยความอยากมีความมุ่งมั่นมากๆจนหน้าดำค่ำเคร่งอันนี้ก็ไม่ดีนะแม้กระทั่งความเพียนนะ เพียรน้อยไปนี่ไม่ดีแน่แต่เพียรมากไปก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันไอ้ความเพียรมากไปนี่ก็สัมพันธ์กับความอยากด้วยนะถากว่ามุ่งมั่นมากอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆก็อาจจะส่งผลให้มีความาเพียรมากไปเกิดปัญหาขึ้นมาได้อย่างในสมัยพุทธกาล ก็มีภาะรูปหนึ่งชื่อพระโสนะพระโสนะนี่ก็มีหลายรูปนะองค์นี้ชื่อว่าพระโสนะโกริวิสะโกริวิสะนี่ก็เป็นคำขยายท่านก็มาบวชแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากเรียกว่ามีความเพียรเต็มร้อยหรือเกินร้อยท่านก็เดินจงกรมนะทั้งวันทั้งคืนเลย สมัยก่อนผ้าไม่มีรองเท้านะต้องก็เดินจงกรมในเท้าเปล่าแต่ว่าท่านเป็นคนประเภทที่รักสุขุมมารชาตินะเป็นผู้ดีเท้านี่ก็บอบบางเดินจงกรมมากๆในสุดเท้าแตกเท้าแตกท่านก็ไม่หยุดเดินนะต้องก็เดินจนกระทั่งเลือดมันไหลเป็นทางสุดท้ายก็เดินไม่ได้นะ ต้องใช้วิธีคลานเานาะนี่ท่านขยันมากท่านเพียรหนักมากเลยท่านใช้วิธีใช้มือกับเขานี่แหละเขาก็แตกนะเลือดไหลมีความทุกข์มากไม่ทุกกายไม่เท่าไหร่แต่ทุกใจสิเพราะว่าปฏิบัติขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นอะไรเลยมีความอยาก จะบรรลุมากนะแต่ว่ายิ่งไม่เห็นผลก็ยิ่งมีความทุกข์มีความเครียดสุดท้ายก็เลยท้อแท้มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะศึกเพราะคิดว่าชาตินี้คงปฏิบัตินะไม่ได้แล้วละ่ะพระพุทธองค์ทรงมียานอย่างทราบนะความคิดของพระสนนะก็เลยเสด็จมา แล้วก็มาแนะนำมาแนะนำให้วางใจในการปฏิบัตินะให้ถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับนักดนตรีนักดีดพินพระโสณนนี่เดิมก็เป็นนักดีดพินนะพระพุทธเจ้าก็เอาตัวอย่างที่พระโสณนนี่คุ้นเคย ก็คือว่าพินเนี่ยมันเป็นพินสามสายเาอเปมาวระเนี่ยพินถ้าว่าขึงตึงเกินไปดีดไม่นานสายก็ขาดแต่ถ้าหากว่าขึงหย่อนเกินไปดีก็เสียงไม่ไพเราะนะต้องขึงให้มันพอดีพอดี ถึงจะเดีดแล้วได้เสียงไพเราะอันนี้ก็เป็นอุปมาเพื่อให้พระสนะได้ตระหนักว่าทำความเพียรเนี่ยย่อหย่อนก็ไม่ดีนะแต่ว่าตึงหรือว่าทำมากไปก็เกิดผลเสียเหมือนกันพระสนะเข้าใจนะก็เลยวางใจได้ถูกต้อง คือทำความเพี่ยนแต่พอดีแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติก็วางไว้วางใจแต่พอดีพอดีในสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพี้ยนแต่พอดีซึ่งบางคนเข้าใจว่าเนี่ยหรือบางทีเรียกว่าเป็นความเพียนแบบสายกลางเรามักจะได้งคำพูว่าให้มี ความเพียรความขยันนะแบบสายกลางแต่ที่จริงยังไม่ถูกนะคำว่าสายกลางนี้มันมีความหมายความหมายหนึ่งถ้าพูดถึงความพอดีเช่นความเพียรแต่พอดีเนี่ยมันมีคำหนึ่งนะอย่างเช่นคาว่าวิริยสมมตาวิริยสมตาคือความเพียรแต่พอดีความพอดีนี่มันเป็นเรื่องของ ความหมายที่ว่าไม่มากไม่น้อยนะซึ่งจะแตกต่างจากทางสายกลางถ้าหากว่าปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นมากๆนะมากเกินไปมันเป็นปัญหาได้มีหลายกรณีที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ได้เตือนหรือว่าได้ใช้อุบาย เวลาเจอคนที่มีความมุ่งมั่นมากมีไฟมากอยากจะปฏิบัตินะอยากจะอยากจะปฏิบัติเต็มที่เลยหรืออยากจะฟังทมอย่างเต็มที่เลยในใจเร่าร้อนมากเนี่ยพระองค์ก็จะจะไม่รีบแสดงธรรมนะอย่างเช่นที่เคยเล่าเรื่องพะ h ยะพะ h ยะนี่เคยคิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์ตอนหลังเทวดามากสิ บ, บอกว่าไม่ ท่านนั้นไม่ใช่หรอกพนะระอรหันต์ที่แท้นี่อยู่ที่กรุงสวรสถีภพายานี่อยากจะพ้นทุกข์มากนะก็ไม่ลีลรอเลยนะเดินรีบรุดไปหาพระพุทธเจ้าเดินด้วยเท้าเปล่าทั้งวันทั้งคืนระยะทางก็หลายร้อยโยชนะ์ไฟนี่แรงมากต้องรีบไป พบพระพุทธเจ้าให้ได้ก็ไปถึงสาวัตถีตอนเช้าพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จบินธรามบาระภัยยะนี่ไม่รอเลยนะประาชเข้าไปเลยแล้วก็ไปกราบทูลพระเจ้าขอแสดงธรรมกลางถนนนั่นแหละพระเจ้าก็คงทราบดีนะถึงภาวะจิตของภัยยะว่า จ, จิตใจร่ำร้อนมุ่งมั่นแบบนี้นะคงไม่เอื้อต่อการฟังธรรมใจไม่โปร่งใจไม่เบาใจไม่เปิดก็เลยปฏิเสธว่ายังไม่ใช่เวลาันภัยยะก็ยืนกรานพระองค์ก็ปฏิเสธอีกนะปฏิเสธ3ามครั้งแต่หลังจากนั้นพระองค์็คว่านะภายะเนี่ยนะ จิตใจคงจะลดระดับนะความมุ่งมั่นลงนะความเร่าร้อนนะก็คงบรรเทาลงแล้วพร้อมที่จะรับฟังธรรมาแล้วถึงตอนนั้นแหละพระองค์ถึงได้แสดงธรรมก็แสดงธรรมไม่ยาวนะนะได้ตรัสว่าเนี่ยเมื่อเห็นสักตวัเห็นเมื่อได้นสักตว่าได้ยินนะ เมื่อรับรู้อารมณ์ก็สัตวตะว่ารับรู้อารมณ์เมื่อรู้ธรรมก็สัตวตะว่ารู้ธรรมเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละที่สุดแห่งทุกตัวเธอในที่ดำเนินความยึดเป็นตัวตนหรืออัตตาความยึดมั่นถือม่ว่ามีตัวกูตัวฉันนั่นแหละพอแสดงธรรมสั้นๆตอนนี้พายะก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีเลยได้ชื่อว่าเป็น เอตทัตฆะหรือผู้เป็นเลิศด้านการรู้ธรรมแบบฉับพรันแต่ไม่ทันได้บวนนะก็โดนวัวขวิดตายซะก่อนตรงไม่ไกลจากที่นั้นน่ะจะไปท่านก็จะไปเอาไปหาบริขารแต่ว่าวัวไปเจอวัวในที่แคบหนีไม่พ้นก็โดนวัวขวิดตายอันนี้ก็เป็น กรณีหนึ่งนะที่เชื่ว่าพระองค์เนี่ยทรนะงรู้ว่าเนี่ยเวลาใดหรือภาวะ จ, จิตใจใดที่เหมาะการแสดงธรรมหรือเหมาะการฟังธรรมถ้ามีไฟแรงนะมุ่งมั่นนี่พระองค์ก็จะมักจะทวงอย่างมีกรณีหนึ่งคือท่านพระเมขียะพระเมขียะนี่เคยเป็นอุปััมภ์ของพระพุทธเจ้าก่อนพระอานนนะ์วันหนึ่งก็ เดินตามพระพุทธเจ้าไปเห็นสวนมะม่วงรื่นรมมากก็เกิดความอยากจะไปปฏิบัติทันทีเลยทูลลาพูุทธเจ้าว่าขอจะไปปฏิบัติพรุทธเจ้าก็คงเห็นว่าในะความมุ่งมั่นของพระเมขิยะอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติก็ก็ห้ามเอาไว้โดยให้เหตุผลว่า ขอให้รอให้มีผู้มาอุปถัมภ์พระองค์ก่อนนะพระมีคยะก็ไม่ยอมพรงค์ทวงถึงสาครั้งพระมีคยะก็ยังยืนกรานนะว่าจะไปปฏิบัติไฟแรงนะไฟแรงแบบเรียกว่าไม่ยอมฟังแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปปฏิบัตินะปลวิเวกไปอยู่ที่สวนมะม่วงนั้นเนี่ยก็ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าใจฟุ้งซ่านมากอารมณ์อกุศล น, นาน า, นานชนิดครอบงำ ไม่พบกับความสงบเลยนะเครียดทุกข์สุดท้ายต้องเลิกนะกลับมากลับมาฟ้าผูธเจ้าท่นนี้พระองค์เตือนแล้วนะว่าพอรู้ว่าถ้าหากว่าใจเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นมากเจอผู้อย่างภาษาชาวบ้านคือมีความอยากมากเนี่ยนะบางทีมันอุปสรรคนะนเรื่องของการความมุ่งมั่นหรือความเพียร นะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักปรับให้พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าไอ้เรื่องความพอดีเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกับทางสายกลางนะทางสายกลางนี่มันไม่ใช่เรื่องของความพอดีทางสายกลางนี่คือทางที่ไม่ใช่ทางสุดตรงสองทางไม่เกี่ยวกับมากหรือน้อย นะความเพียรเนี่ยน้อยไปไม่ดีความเพียรมากไปไม่ดีต้องพอดีความพอดีเป็นเรื่องของความไม่น้อยแล้วก็ไม่มากแต่ว่าทางสายการนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของทางที่อยู่คนละเรื่องกับทางสุดต่งสองทางอย่างที่เรารู้จักกันดีนะก า, ขขาการสุขาริการนิยคหรือการหมกมุ่นในการกับอตัตตกเรีมันถามนยิยโการ ทรมานตนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะระหว่างการหมกมุ่นในการกับการทรมานตนมันไม่ใช่เรื่องความมากหรือน้อยแต่มันเป็นเรื่องของคนละประเภทนะเป็นเรื่องของคนละประเภทเลยคนละชนิดคนละทิศคนละทางอะไรที่มันไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนี่ละเรื่อพอดี เช่นคนที่สูงพอดีๆคือไม่เตี้ยแล้วก็ไม่สูงโยงนะ่มันเป็นเรื่องของปริมาณที่น้อยและมากต่างกันแต่ว่าทางสายการนี่มันเป็นเรื่องของคุณภาพที่ต่างกันทางสุดต่งสองทางนี้เรื่องทางสายการก็เราควรจะเข้าใจให้ดีนะเพราะว่าเราเข้าใจผิดกันเยอะเข้าใจผิดในความหมายเนื้อคือว่าไป ไปมองว่าอะไรที่มันไม่น้อยไม่มากอันนี้รู้ว่าเป็นทางสายกลางได้ไม่ใช่แล้วก็ที่เข้าใจผิดประการ ก, ก็คือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของหรือมันมีความหมายแค่การหมกบุญในการมกับการทรมานตนพอเข้าใจแบบนี้ก็เลยคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็ไม่ได้ถึงกับหมกบุญในการมแล้วเราก็ไม่ได้ทรมานตนอย่างฤาษีถ้าเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็จะคิดว่า เรานี่ก็ทางสายกลางแต่ไม่ใช่หรอกนะทางสายกลางมันมีความหมายามากกว่า น, นั้นเช่นเวลาเวลาเจอสุขเวทนาใจก็เคลิ้มในสุขเวทนานั้นนะแต่เวลาเจอทุกขเวทนาก็จมหมกอยู่ในทุกนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสุดตรงนะพวกเราคงจะเป็นอย่างนี้กันไม่น้อยนะเวลาเจอสุขก็ จมในสุขเวลาเจอทุกข์หรืออยู่ในเวลาเจออารมณ์ที่เศร้าหมองก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นนะพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละดีใจก็ดีใจหายเวลาเสียใจก็เสียใจจนหมดเนื้อหมดตัวนะเวลารักใครก็ทุ่มเทเวลาเกลียดนะเวลาโกรธก็เห็นเป็นศัตรูนะเกลียดแบบทุ่มเทเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมเกลียดแบบทุ่มเท โกรธแบบทุ่มเทนะนอนก็คิดกินก็คิดอยู่กับลูกอยู่กับคนรักก็ยังคิดเป็นคนที่เป็นศัตรู น, นั้นก็เรียกว่าเป็นทางสุดโต่งเหมือนกันนะันไม่ใช่ทางสายกลางหรือว่าเวลาเรา <c oughs> เวลาลองมาปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางใจไม่เป็นมันก็สุดโตงนะ ก่อนปฏิบัตินะก่อนมาปฏิบัติก็ตามกิเลสนะตามอารมณ์แต่พอมาปฏิบัติก็พยายามกดข่มอารมณ์นั้นกดข่มอารมณ์นั้นกดข่มความคิดตอนไม่ปฏิบัติก็ใจลอยคิดเป็นตูวเป็นตะแต่พอมาปฏิบัติก็ตั้งหน้าตั้งตางจะกดข่มความคิดกดข่มอารมณ์ อันนั้นก็สุดตรงนะสุดตรงสองทางเลยทางแรกก็คือนะตามใจกิเลส ต, ตามใจอารมณ์ตามอารมณ์ปล่อยใจไปตามอารมนะสุดตรงอันนี้คือพยายามกดข่มมันเอาไว้แล้วปฏิบัติจำนวนไม่น้อยก็เวียงมาสุดตรงแบบนี้นะก่อนปฏิบัติก็สรงจิตออกนอกนะแต่พึพ่ือพอมาปฏิบัติก็เพ่งจิตเข้าใน นะพยายามมาดักเฝ้าดูความคิดนั่นก็สุดตรงนะนะคนส่วนใหญ่ก็จะสุดตรงแบบนี้แหละระหว่างส่งจิตออกนอกกับพุ่งจิตเข้าในก่อนปฏิบัติกนะ็ปล่อยใจนะปล่อยใจลอยพอมาปฏิบัตินะก็พยายามที่จะบังคับควบคุมจิต นะควบคุมจิตไม่ให้กระดิกกระเดี่ยเลยซึ่งก็มักจะไม่สำเร็จนะแต่ก็ยังอยากจะทำนะเพราะว่าส่วนเพราะความอยากอยากอยาให้จิตสงบอยากจะบรรลุคุณวิเศษนะนี่ก็สุดตรงนะปล่อยใจลอยนะกับบังคับควบคุมจิตตามใจกิเลสนะกับกดข่มอารมณ์กดข่มกิเลส กด ข, มข่มคิเลนี่มันก็มันก็ดีนะแต่ถ้าเราทําอย่างนี้กับการปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนเอาแต่กด ข, มข่มกิเลนี่นะกดเช่นกดขม่มความโกรธกดขม่มความอยากนะอันนี้ก็จะในสื่อก็จะเป็นทุกข์จะเครียดนอกปฏิบัติจำนวนมากก็ไม่ได้เดินทางสายกลางนะคือถ้าไม่เพลอก็เพ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยนะ ก็จะเวี่ยงไปสองข้างนี่แหละเผอกับเพ่งเผอกับเพ่งส่งจิตออกนอกรอบพุ่งจิตเข้าในและสุดท้ายนี่ก็เกิดอะไรขึ้นบางครั้งก็ฟุง้งบางครั้งก็เครียดนะ่าสังเกตดูใจเราไหมเราก็เวี่ยงไปสุดตรงสองข้างแบบ น, นี้แหละเผอกกับเพ่งฟุ้งกับเครียด ทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางคือว่าไม่ใช่ไปบังคับควบคุมจิตไม่ใช่ไปกดข่มอารมณ์แต่รู้ทันมันนะรู้ทันถ้าเรารู้ทันมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ครอบงมจิตหรือว่าชักลากพาจิตของเราออกไปกระเซาอกระเซิงคือใจก็จะไม่ลอยนะถ้าเราไม่รู้ทันนะ ใจเราก็ลอยใจเราก็ไหลส่งจิตออกนอกไปหมดหลายคนไม่ชอบแบบนี้ก็เลยเบี่ยงเปทานคือกดข่มบรเอาไว้มันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางคือรู้ทันมันหึือที่หลวงพว่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนใช้คารู้เฉยเฉยรู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงกดข่มบังคับควบคุมมัน แล้วก็ไม่ไปทําตามมันเห็นมไหมว่าทางสายกลางคือตรงนี้แหละไม่ใช่ทั้งส่งจิตออกนอกแล้วก็ไม่ใช่ทั้งพุ่งจิตเข้าในรู้ในรุ่นนอกแต่เมื่อรู้นอกก็ไม่ใช่ปล่อยใจลอยไปตามสิ่งไปตามรูรปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบแล้วขณะเดวกันก็ไม่ได้มุ่งพุ่งบังคับควบคุมจิตคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักทางสายกลางนี้แหละ รู้จักแต่ทางสุดตรงซีกใดซีกหนึ่งแม้มาปฏิบัติแล้วก็ยังทําไม่เผลอก็เพิ่มนะก็เลยทําให้ฟุง้งก็เลยเครียดมีครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบดีในความฟุ้งเนี่ยก็เหมือนกับการที่เอาแต่เที่ยวนอกบ้านนะเอาแต่เที่ยวนอกบ้านก็ฟุ้งเลย แต่ต่อมารู้แล้วเที่ยวนอกบ้านไม่ดีก็เลยทําตรงข้ามคือว่าก็ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านขังตัว อ, อยู่ในบ้านเกิดอะไรขึ้นก็เลยเครียดนอกปฏิบัติหลายคนตอนนี้ก็กำลังขังตัว อ, อยู่ในบ้านคือเอาจิตเนี่ยมันเพ่งเข้าในจมอยู่ในพยายามที่จะไม่ไปรับรู้ภายนอกเพ่งเข้าในพยายามไปดักดูความคิด ไม่ให้มันออกมาอันนี้เรียกว่าหลงวนอยู่แต่ในบ้านนะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านใคยที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะเราก็คงสร้าง้ว่าจะเครียดง่ายไม่อยากเครียดก็เลยออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้านก็ฟุ้งเลยเวียงไปเวียงมาแบบนี้แหละนี่แหละคือทางสุดตรงที่พวกเราประสบหรือว่าทําอยู่เป็นประจํา ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไปหมกมุ่นในกามหรือไม่ได้ทรมานตนแต่ว่าก็ยังทำสองอย่างนี้ปฏิบัติทั้งทีก็ลองนะมารู้จักทางสายกลางรู้จักอย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ไม่เผลอไม่เพ่งนะเพียงแค่รู้เฉยๆนะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจและขณะกันก็ไม่ไปบังคับควบคุมกายและใจให อ น, นุญาตให้กายและใจนะมันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือรู้มันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความเศร้าเกิดขึ้นก็รู้รู้โดยที่ไม่ไปกดข่มมันแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ตามใจมั น, นเวลาโกรธนี่มันอยากจะอยากจะด่าอยากจะทําร้ายหรือว่าเวลาเศร้ามันก็อยากจะจมอยู่ในความเศร้านะ มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเวลาเศร้านี่นะแทนที่จะหาทางออกจากความเศร้านี่ไม่ใช่เลยนะกลับพยายามจมอยู่ในความเศร้าเช่นเปิดเพลงเศร้าๆนะสังเกตุม่เวลาคนเศร้าเนี่ยเขาชอบเปิดเพลงเศรา้าๆเพราะมันมีรสชาติเพราะว่าอยากจมอยู่ในความเศรา้าอันนี้ก็เป็นสุดตรงนะ พอามาปฏิบัติรู้ว่าเศร้าไม่ดีก็ไปกดข่มความเศร้าพยายามปฏิเสธพยายามพยายามทาใจให้เบิกบานแล้วก็ไม่ยอมรับความเศร้ากดข่มมันเอาไว้อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันทางสายกลางคือเพียงแค่รู้นะรู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจรู้โดยที่ไม่เป็นมัน ถ้ารู้นี่ไม่ค่อยไปเป็นนะรู้อารมณ์ก็จะไม่พลัดเข้าไปในอารมณ์ไม่กลายเป็นผู้โกรธผู้เสียใจแต่ถ้าไปกดข่มมันนะก็เป็นปัญหาอยู่แบบนี้ก็คือว่ามันก็อาจจะหลบหายไปจะเริ่มก็โโพอมาตอนเวลาเผลอเป็นอย่างนี้กันเยอะนะเวลาปฏิบัติเนี่ยกดข่มความคิด ความคิดมันก็จางคลายหายไปก็ดีใจนะแต่พอจะเข้านอนความคิดมันที่มันที่มันถูกกดมันไม่ได้หายไปไหนและมันก็รอจังหวะพอเราเผลอพอเราจะเข้านอนสติเริ่มอ่อนมันก็ยิ่งโผล่มาเลยพลั่งพลูออกมาตอนนั้นออกมาแบบที่เรียกว่าเขื่อนทะลักทลายเลยก็มีพอไปกดข่มมันเอาไว้มันก็หลบ ลบที่เหลบในแล้วก็คอยโผมาทีเผลออันนี้พอไม่รู้จักทางสายกลางก็คือว่าเรนรู้ที่จะอยู่รักษาใจให้เป็นกลางๆงการรู้เนี่ยนะรู้ทันรู้เฉยเฉยนะหรือว่าวางใจเป็นกลางอันนี้เป็นความหมายเดียวกันวางใจเป็นกลางคือไม่ชอบไม่ชังไม่ผักใสไม่ไ ข, ขว่คว้านะ พอวาวงใจเป็นกลางก็บอกอยแล้วนะคือว่านั่นแหละคือทางสายกลางที่ทางสายกลางยังมันยังมีความหมายมากกว่านั้นนะก็เช่นเดียวกับทางสุดโต่งเนี่ยมันยัมีความหมายมากกว่านั้นมากกว่าที่พูดมาเช่นคนที่หลงชั่วหลงชั่วนี่ก็ถือว่าสุดโต่งทางหนึ่งอีกสุดโตนึงคือติดดีติดดี หลงชั่วนี่ก็มันทุกข์อยู่แล้วละ่ะพวกเห็นกรงจักเป็นดอกบัวนะเห็นว่าการทําปิดศีล เ, เ, เนี่ยเป็นเป็นของดีอันนี้เราพวกหลงชั่วนะอันนี้ประเภทว่ากล้าทําชั่วนะกลัวทําดีแต่ติดดีก็สุดโตมกันนะติดดีนี่ก็ทําให้ทุกข์เหมือนกัน เช่นเวลาคนอื่นไม่ดีเหมือนตัวลูกไม่ดีเหมือนตัวเพื่อนไม่ดีเหมือนตัวก็ทุกข์แม่พ่อไม่ดีเหมือนตัวก็ทุกข์นะก่อนมาศึกษาธรรมก็ไม่ได้เกลียดพ่อนะแต่พอมาศึกษาธรรมรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมก็เริ่มเกลียดพ่อละเพราะพอกินเหล้าพ่อชอบเล่นไพ่พ่อเจ้าชู้นะก็เกิดทุกข์อีแบบหนึ่งว่าว่า เกลียดพ่อเวลาเจอพ่อทีไรก็จะจิตใจก็เป็นทุกข์พอมารุททำแล้วนี่ถ้าวางใจไม่เป็นนะก็จะเกลียดคนง่ายนะแม้กระทั่งคนรักคนที่ใกล้ชิดเกลียดพ่อเกลียดแม่เพราะเขาไม่ไม่ดีเหมือนที่เราเราอยากเห็นนะอันนี้ก็ติดดี หรือว่าทําดีแล้วทําไมคนไม่เห็นความดีของเราหลายคนก็เป็นทุกข์มากนะตัดเพาะว่าทําไมเขาไม่เห็นความดีของเราทําไมเจ้าน้าไม่ขึ้นขั้นไม่ขึ้นเงินเดือนให้ทําไมเขาไม่ชมเรานะติดดีเหมือนกันหรือเห็นคนอื่นดีกว่าตัวนะบางทีนักปฏิบัตินี้อิจฉานะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติ เขาตื่นเช้าตีสองหรือว่าเขาทำความเพียรแทนที่จะอนุโมทนาหรือมีมุทิตาจิตเขานะกับอิจฉาเขาหรือว่าครูบาอาจารย์ชมชมเพื่อนนะว่าปฏิบัติ ด, ดีขยันเราอิจฉาเขาเลยอันนี้ก็เป็นอาการคันความติดดีแบบหนึ่ง ก็ทำให้ทุกข์ไม่ต้องพูดถึงว่าดูถูกคนอื่นนะเพราะว่าเห็นว่าหรือคิดว่าเราปฏิบัติ ด, ดีกว่าเขาเรามีสีมากกว่าเขาเราเคร่งกว่าเขานะอันนี้เรียกว่าติดดีอีกแบบหนึ่งนะซึ่งทําให้เป็นทุกข์แน่นอนได้ว่าในะทางสุดโตรงเนี่ยเราก็ปุ้ดชนคนทั่วไปก็เป็นกันได้ก็ต้องนักปฏิบัติสําหรับ ทางสายกลางนะก็คือไม่ติดดีนะแต่ก็ไม่เห็นความดีเป็นสิ่งเห็นไม่เห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ดีรู้ว่าชั่วไม่ดีแล้วก็ไม่ทำํทำทําแต่ความดีแต่ไม่ติดในในดีนั้นไม่ยอมให้ความดีกัดเจ้าของอย่างที่ท่านอาจากพูท่าทว่าติดดีเมื่อไหร่ก็ความดีก็กัดทําร้ายตัวเองเมื่อ น, นั้นคนะรูอาจารย์สอนนะว่า ธรรมะนี่เหมือนกับแพรนะธรรมะเหมือนกับแพเมื่อแพรนี่พาข้ามฝั่งถึงพาข้ามไปถึงฝั่งแล้วก็ต้องก็ต้องวางแพรนั้นไม่มีใครที่จะขนแพขึ้นฝั่งขึ้นตะลิ่งไปด้วยนะคนทนําช่นนก็โง่ธรรมะเป็นเหมือนกับพ่วงแพไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องติดไม่ในสิ่งที่ต้องแบก ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ช่วยในการขัดเกลาจิตใจให้ประณีตแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาสว่างไสวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมายึดติดถือมั่นที่พูดมาทั้งหมดนี่คงจะแยกคงจะเห็นชัดนะว่า้เรื่องความพอดีกับทางสายกลางนี่มันคนละอันกัน ทำอะไรแต่พอดีนี่เราไม่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนี่มันเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้ปัญญาเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่พลัดเข้าไปในทางที่ผิดทั้งสองทางซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องน้อยหรือมากในความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของการที่ไม่น้อยไม่มากเช่นกินข้าวแต่พอดีก็คือไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป ทำความเพี้ยนแต่พอดีคือไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปอันที่เราแยกแยกได้ว่าความพอดีกับทางสายกลางนี่คนละอันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต้งคู่นะแล้วก็พยายามที่จะนะปรับใจของเราเนี่ยให้ให้พอดีในด้านหนึ่งและในแต่ ก, กันก็วางใจของเราให้อยู่บนทางสายกลางรวมทั้งการดูแนชีวิตของเราด้วยมันก็จะประสะบความเจริญเอาละครับนี้ก็พูดกันท่า น, นี้